ทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรนสนีสนทนามาอีกแล้วนะคะดิฉันสรนสนีน า, ส น, นาคพงสนทนาธรรมกับพระมหาไภัยบูร์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีเป็นประจําที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะตอนนี้รายการที่มีท่านภับูร์มาแสดงธรรมอยู่เป็นประจําที่นี่เนี่ยนะคะทางสถานีก็เห็นคุณค่าก็ได้เพิ่มเวลาให้ ทั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยวันละอีกสิบนาทีจากยี่สิบห้านาทีก็เลยจุใจมากขึ้นเป็นสามสิบห้านาทีนะคะเราไปกราบนมัส ก, การท่านกันเลยค่ะนมัส ก, การกับท่านคะเห็นพานค่ะก็ดิฉันสังเกตนะคะดิฉันสงสัยนะคะว่าทําไมพระสงฆ์เนี่ยไม่เห็นออกกําลังเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันสังเกตในท่านจะมีความสดชื่นอยู่ในความรู้สึกที่เร า, าสัมผัสได้ เวลาที่ไปกราบนมันสการะคะ่พูดถึงอันดับแรกก่อนคนที่จะมีความสดชื่นมีเวทนาเบาบางนะส่วนการสดชื่นมีเวทนาเบาบางนี่ก็เพราะว่า1การรับประทานอาหารแต่พอดีการรับประทานอาหารต้องรู้จักประมาณในการบริโภคด้านี้เราจะมีเวทนาเบาบางมีการย่อยอาหารสม่ำเสมอแต่ถ้าใช้ไม่ได้ใช้กำลังมากก็ไม่ต้องกินมากก็กินพอประมา ณ, มาณนี้เปิดการที่1 แล้วก็ประการที่สพระพรุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงบุคคลที่จะมีวั น, นะงามนั่นคือผิวพรรณผ่องใสมีหน้าตาแช่มชื่นพวกนี้แล้ว ก, ก็ได้อันนี้ส่งของการที่มีศีลด้วยอันนี้ส่งของการที่เรานั่งสมาธิภาวนา น, นี้ช่วยได้แน่นอน <Okay. S 1> และประการที่3ในที่ทําให้มีผิวพรรณผุดพองเนี่ยก็คือเรื่องของการเจริญเมตตา <Okay. S 1> การเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยหนึ่งในอันนี้สองสิบเอ็ดอย่างก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณผุดพอง ผิวปุนปุปองนี้มันได้หมายความว่าไม่เหี่ยวนะคือก็สมมติถ้าอายุมากแต่ครูบาอาจารย์อายุมากๆเนี่ยก็เหี่ยวก็เป็นจุดๆบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าความผ่องใสความแบบภาษาความงามก็จะมีประกายหรอมีความหองออกมาหรือเป็นเรเดียนออกมาอะไรประมาณนี้นะคประมาณนี้แหละค่ะก็หมายถึงว่าศีลภาวนาช่วยได้อ่าแล้วก็เมตตา แล้วก็มีสติในการบริโภคใช่ใช่สี่ข้อนี้เป็นหลักอแล้วก็หลายๆท่านอย่างครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อปริยังอย่างนี้เป็นต้นน่ท่านก็เดินอากําลังกายด้วยการเดินท่านเดินมากนะคะใช่ใช่แล้วก็ท่านในอายุที่ใกล้ๆจะร้อยคือเก้าสิบเศษแล้วเนี่ยอืมเรนเคยสังเกตเวลาท่านเดินนะคะท่านเดินเหมือนเลื่อนลอยเลยค่ะใช้คำนี้เวลาท่านเดินเดินเขาเรียกอะไรเดินจงกรมอะค่ะเดินู้สึก แบบนั้นว่าการเดินของท่านเนี่ยคงจะเป็นด้วยที่ท่านเดินด้วยสติอันมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ่อาท่านเดินในลักษณะนั้นจริงๆอ่พวกเราก็สามารถที่จะฝึกได้เดินตามค่ะเพราะว่าเรื่องรับประทานนี่จริงๆมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้คิดถึงอะไรมากนะคะท่านคะเขาตื่นปุ๊บคิดถึงอ่าเดี๋ยวจะกินกาแฟแล้วเดี๋ยวจะกินอะไรกับกาแฟดีอืม ไปเรื่องนะแล้วมื้อนี้ยังไม่พอต่อมื้อนาอีกใช่คุณที่คิดถึงตอนเย็นเลยใช่อันนี้คือจึงเป็นประเด็นที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งอเป็นโรคนะความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งนะเพราะเพราะอะไรเพราะอะไรนท่านท่านแก่ความข้อนี้คือความนี้ยมีข้อความลึกเป็นข้อความมีความลึกซึ้งอย่างเช่นโรคที่เราคิดว่าร้ายแรงเช่นโรคหัวใจแต่มันรักษาไม่หายใช่ไหมคือคุณเป็นแล้วเป็นเลยหรือว่าโรคมะเร็ง คุณรักษาหายแล้วเอมันกลับมาอีกอย่างเงี้ยนี่คือนี่ความร้ายแรงของมันแต่ทำให้เราคิดว่ามันเป็นโรคที่แบบรักษาไม่หายร้ายแรงความหิวนี่เป็นอย่างนั้นเลยนะคุณหยงติว๋วคุณรักษาตอนเช้าใช่ไหมคุณกินใช่ไหมตอนบ่ายคุณหิวอีกเอาจมันมันน่าจะหายได้นะแต่ ว, วันนี้รักษาได้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างเงี้ยอ๋อเป็นโรคเรื้อรังยิ่งกว่าโรคเรื้อรังทั้งปวงบนโลกไปอย่างคุณไปหาหมอคุณนั้นหมอเนี่ยนะอาจจะนัดเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งใช่ป่ะแล้ววิชี้ <fuck. S 1> แต่ อ, อ น, นี้มันทุกวันเลยนะความหิวเนี่ยทวันละหลายเวลาเออมันร้ายแรงมากจริงจริงค่ะเออแหอันเนี้ค่ะดิฉันนึกถึงสิ่งที่ท่านได้พูดเมื่อวานนี้อธิบายความเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระคว <Evangel ion> มพระผู้มีพระภาคที่สามารถจําแนกทำได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า <c oughs> ใช่ไหมคะใช่เออก็คืออันเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดิฉนันคิดว่า น่าจะใช่แต่ต้องถามท่านว่าใช่ไหมคือเหมือนว่าเราความหิวหิวมันวันละหลายหลายมื้อนี่แหละแตไม่เคยคิดออกเลยว่าเป็นโรคอย่างยิ่งแบบที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ใช่เราก็ยังมีพูดถึงว่าความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งค่ะนั่นคือคนที่คลอดออกมาจากคันเดียวกันหรือว่าแบบเป็นญาติกันจริงๆเนี่ยแต่ถ้าไม่คุ้นเคยกันเนี่ยอย่างญาติของเราเนี่ยบางทีเราคิดดูนะไม่ได้เจอกันเป็นหลายสิบปีอย่างเงี้ยเราไม่คุ้นเคยกับเขาเลย เป็นญาติฝ่ายไหนอ๋อฝ่ายแม่อ๋ออ๋อนี่เป็นหลานนี่อ๋อเป็นป้าแต่ว่าไม่คุ้นเคยกันไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะเออแต่แต่คนที่เป็นเพื่อนเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมีความคุ้นเคยกันแม้มันเหมือนญาติพี่น้องกันใช่แตทั้งที่แม่เพื่อนเนี่ยไม่ใช่แม่เราด้วยซ้ําไม่ได้มีความเป็นญาติกันแต่มันคุ้นเคยกันอันนี้คือความคุ้นเคยกันเนี่ยจึงเป็นญาติอย่างยิ่งค่ะนี่ก็เป็นพุทธพจน์นะคะท่านฟังความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งค่ะอ่าท มาถึงเรื่องที่ที่ฉันติดค้างท่านฝั่งท่านหนึ่งอยู่มีคำถามจากคุณเลวิตสังสิทธ์ค่ะถามมาที่ FM106 นี่แหละนะคะอบอกว่าบวชพระทิ้งงานทิ้งพ่อแม่เพราะเราเห็นแล้วว่าทางรอดที่จะพ้นทุกมีทางเดียวที่เร็วที่สุดในชาตินี้คือเพศสมณะหรือการบวชเป็นพระแบบนี้ได้บุญหรือบาปครับอ อ, อถ้าจะจะวิเคราะห์เฉพาะว่า คุณทิ้งพ่อแม่ ค, คือทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลเลยนะแล้วก็แบบไปทางอื่นเลยโดยที่เช่นว่าหนีไปต่างประเทศหรือว่าทิ้งไปเลยอ่ะแบบไม่สนใจเลยอันนี้ได้บาปแน่นอนถ้าดูเฉพาะขาทิ้งนะถ้าดูเฉพาะขาที่เราไม่ตอบแทนบุญคุณดูเฉพาะขาที่เราไม่สนใจไม่เป็นคนมีความกระตันยูอย่างเงี้ยตรงนี้บาปแน่นอน น, น, นีคือความบาปที่คุณจะได้ไปทีนี้ความที่เป็นบุญคือถ้าสมมติบวช โดยที่ไม่รู้คุณของการบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชเป็นอะไรบวชทําไมบวชแค่หนีแต่ถ้าบวชแค่หนีเนี่ยการบวชเนี่ยเป็นบาปแน่นอนนะพูดอย่างนี้เลยนะการบวชนั้นเป็นบาปแน่นอนแต่ถ้าเรารู้คุณของการบวชนะว่าการบวชเนี่ยเฮ้ยเป็นการตอบแทนบุญคุณบรรดาบิดาที่สูงไปกว่าอีกนะเอออันนี้ได้บุญนะค่มันมันต่างกันนะคือถ้าบอกว่าบวชเพื่อหนีโดยที่ไม่เห็นคุณของการบวชอันนี้ได้บาป แต่ถ้าบวชแล้วรู้คุณของการบวชจริงๆว่าโหมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสามัญพจน์อันนี้เป็นเป็นเป็นบุญแต่เป็นบุญบ้าอะไรเพราอะไรเพราะพระเจเรีเทียบอ่าีคุณยมเตียวเปรียบเหมือนกับนกมูลไถตัวหนึ่งแตนกมูลไถตัวหนึ่งเนี่ยเป็นนกที่เขามาหากินตามนาตามท้องนาเนี่ยเวลาชาวนาเขาเอาวัวควายแล้วก็ผานลากไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บพลิกดินขึ้นมาสมัยนี้ก็ใช้คูบอต้าปืนปืนปืืนเอา <c oughs> นะพอพลิกดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนอนอะไรตัวอะไรให้มันอยู่ในดินมก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยนกก็มาหากินตรง น, นั้นอันนี้คือลักษณะนกมูลไทย <c oughs> เวลาชาวนาเขาต้จะจับนกมูลไทยเนี่ยเขาใช้เถ า, <c oughs> าหัวด้วนเถาหัวด้วนนี่ยก็คือเถาวันที่มันไม่มีรากนะีอยู่ตามาต้นไม้อะไรต่างๆอย่างเช่นต้นบรัชอะไรเงี้ยเนี่ต้นบรัชเนี่ยมันไม่มีรากอะไรที่มันจะแข็งแรง <c oughs> ใช่ไหมมันเป็นฝอยๆลงมาเฉยๆ <c oughs> ซึ่งใช้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของเถาหัวด้วนมาผูกขา เจ้านกมูลไยนี้ไว้นีู่ดการนกมูลไยไว้นกมูลไถก็ไปไม่ได้เนี่ยเขาก็เลี้ยงนกมูลไถเนี่ยให้ลูกหลานเล่นเลี้ยงเหมือนหมาเนี่ยอยู่ตามท้องนาแคนนี้คือนกมูลไถนี่คือตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่2พระพุทธเจ้าเปรียบ เ, เทียบกับช้างนีช้างตัวนี้เป็นช้างอาชาไเนาีน่ยเป็นช้างอาชานาพันดีเนีเป็นช้างอาชนา伊พันดีชนิดที่เจนสงครามด้วยนีมีงางงอนงามนีพวกสัตว์พวกเนี้ยคุณยมตีไม่ว่าจะเป็นวัวควายเนี่ย ถ้าวัวควายเขามันแหลมนะผิวหนังมันสมบูรณ์ดีมันจะมีความมั่นใจมากนะโคเอหรือช้างนี่ก็ตามถ้ามันมีงางงอนงามนะมันจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะจ้างประเภทนี้ในเป็นช้างอาชนะยเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางงอนงามเนี่ยเขาเอามันมาผูกเอาไว้ด้วยเชือกป่านนะผูกไว้ด้วยเชือกป่านอย่างดีที่คามันนะแล้วก็เอาปลายด้านหนึ่งของเชือกป่านเนี่ยไปผูกไว้กับเสาตะลุงนะเสาตะลุงก็คือเสาเกือ่อเสาหลักนี่แหละ วังไว้อย่างดีต่อไว้อย่างแน่นหนา น, นี่คือสองประเภทนี้ช้างตัวนี้เนี่ยนะด้วยความที่มันเป็นช้างอาชไยนมีกําลังมากมันสลัดบึ้งออกเนี่ยเชื่อขาดเลยเชื่อขาดเนี่ยเชือก ข, ขาดเวลาที่เขาจะปลูกช้างเขาต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นโซ่ตรวนที่เป็นเหล็กเนี่ยนะถึงจะผูกช้างประเภทนี้อยู่ใช้เชือกป่านไม่ได้แล้วเรามาเปรียบเทียบกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ดูบ่างไอ้เถาหัวด้วนเนี่ยนะ มันไม่ได้เป็นเครื่องผูกอะไรที่จะแน่นหนาเลยนะแต่มันสามารถผูกนกมูลใดไ ด, ไดนะ้แต่เสาตะลุงนะที่ฟังไว้อย่างดีกับเชือกป่านที่เหนียวเนี่ยโ้หมันดูเหมือนเครื่องผูกที่เป็นเครื่องผูกแน่นหนาเอ๊แต่กลับผูกช้างอาชาในที่มีงางงอนงามเป็นช้างชั้นเจนสงครามไม่ได้ค่ะมันมันต่างกันที่ตรงไหนคุณโยมติวไม่ทราบค่ะก็มันต่างกันที่กาลังของสัตว์สองชนิดนี้ไง อาต่างที่กําลังนกมูลไถยกาลังมันน้อยอ ใ, ชใช้เครื่องผูกแบบไม่ต้องแข็งแรงมากมันก็อยู่แต่ช้างอาชัยน์กกาลังมากใช้เครื่องผูกแข็งแรงมากกลับไม่อยู่อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนเรานี่แหละคนเรานี่แหละคนที่คนแรกแลเปรเียบกับนกมูลไถยเป็นยังไงก็คือเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัตินืมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเหนืก็เป็นบ้านที่ฝาเรือนมันเขาเรียกว่า เป็นแย่ค า, านะแล้วก็เป็นรูทะลุอะไรต่างนกกานกอะไรกับบินเข้ามาฉกสิ่งของไปหนีไปได้ในบ้านนี้ก็มีเฟอร์ น, นเนะิเจอร์อยู่อันหนึ่งก็คือเตียงเนี่ยเป็นะแค่อยู่อันหนึ่งน่ยแค่นี้ก็ทําจากไม้ไผ่ผูปูพังพังนะี่ยในบ้านของตัวเองนี่ก็มีสมบัติอยู่หม้อหนึ่งเป็นไห่หนึ่งในหม้อนี้ไห่นี้ก็มีข้าวพันธุ์ไม่ดีด้วยเนะ่ยแห้งแห้งด้วย เ, เป็นพันุ์ไม่ดีเนะี่ยตัวเองก็มีนาอยู่แปลงหนึ่งเนะี่เป็นนาที่แบบแข็ง เดิเป็นหินเอ่อเป็นนาที่ แ, แล้งเดิเป็นนาที่ไม่ดีเดิม แ, แล้วก็มีภรรยาอยู่คนหนึ่งเดิมรรยาคนนี้ก็ฟันเหยินด้วยเดิรูปไม่สวยผิวกล้านด้วยเดิแต่อีตาคนนี้ชายคนนี้เห็นพระรูปหนึ่งเดิใบบินนาบาดเนี่ยเดินก่อดมาที่วัดโอ้พระนี้มีผิวพรรณดีฮะมีวันหน้างามมีอินทรีย์ป่องใสเดิมีมือเท้าสะอาดฉันอาหารดีๆอยู่ในวัดมีท่าทางน่าเลื่อมใส เออเราจะบวช ด, ดีไหมแม้ถ้าเราจะบวชนี่เมียเราก็คงจะถูกพวกคนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงมา้ามาพูดเกี่ยวกับภาษีแต่เขาก็คงจะเอาข้าวของเราที่เรามีอยู่หม้อนึงเนี่ยไปหุงกินกันนะแล้วก็เตียงของเราเกา่าๆตัวที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยแค่เนี่ยก็คงไม่มีใครใช้เขาก็จะเอาไปเผาทิ้งเสียโอยอยากก็นั้นเลยเราก็ใช้นี่แหละทรัพย์สมบัติที่เป็นข้าวสารนี่เรามีอยู่เราก็ไปหวานอ่าทำกินซะนะเขาก็บวชไม่ได้ ไม่สามารถชะลาออกได้เพราะว่าคิดอย่างนี้นี่คือกรณีที่1นึ่งนนี่คือคนคนจนเขินใจได้ทรัพย์แต่ในกรณีที่สองเปรียบกับลูกของมหาเศรษฐีนื้ลูกเศรษฐีคนนี้แน่นอนก็ร่ํารวยใช่ไหมมีบ้านหลังโตๆถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันก็ต้องเป็นคอนโดหรือว่าผนังนี่ก็บูดด้วยวอลเปเปอร์น ะ, ะแล้วก็มีทรัพย์สมบัตินะทรัพย์สมบัติของเขานี่ก็เป็นยุ่งฉางที่เป็นข้าวสารเป็นข้าวเปลือก มีเป็นพันๆยุ่งฉางมีนานี่โอ้โหสุดลูกหูลูกตานะทนพื้นที่นานเนี่ยนะแล้วก็เป็นนานที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะเสื้อผ้าอย่างดีมีภรรยาคนหนึ่งสวยงามมากด้วยแต่ปรากฏว่าลูกเศรษฐีคนนี้เขาเห็นพระรูปหนึ่งลกลับมาจากบินทบาตโอ้มีผิวพันผ่องใสมีอินทรีย์หน้าเลื่อมใสนะรับประทานอาหารอย่างดีมือเท้าล้างสะอาดเห็นก็เล็งเห็นมามพระองค์นี้ มีข้อบัญติปฏิบัติหน้าเลื่อมใสน่าจะต้องได้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนมีสามัญญผลแน่นอนแม้ไอ้สามัญญผลมีศีลมีสมาธิเป็นต้นเนี่ยไอเราชุ่มอยู่ด้วยการนี้เราก็ไม่ได้ไม่เคยได้เห็นความสงบประเภทนี้เลยไอเราบวช ด, ดีกว่าวะจะได้เห็นความสงบประเภทนี้ได้ เ, เขาก็เลยออกบวชอย่างนีออกบวชก็ทิ้งทรัพย์สมบัติพวกนี้ซะแล้วก็ออกบวชออกบวชเล็งเห็นในสามัญญผลจึงออกบวชได้ แตนะ่ตรงนี้มันต่างกันนะกำลังของคนจนเข็นใจและทรัพย์สมบัติไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่พอจะยึดเขาได้เลยแต่ก็กลับยึดเขาได้ไม่สามารถเขาไม่สามารถจะออกบวชได้นี่คือเปรียบกับคนจนที่มีภรรยาไม่สวยอันนี้เปรียบกับนกมูลไถแต่ลูกมหาเศรษฐีเห็นพระนะที่มีมีข้อปฏิบัติ ด, ดีแล้วก็เลยออกบวชนะก็เหมือนกับช้างที่มีงางอนงาม และเป็นช้างชั้นเจนสงกรานต์ถูกปูกด้วยเครื่องผูกมั่นคงภรรยาก็สวยทรัพย์สมบัติก็เยอะแต่ก็ยังสลัดหลุดออกได้เพราะเลิงเห็นสามัญญผลกําลังตรงนี้แตกคุณอยู่ตัมันต่างกันกําลังจิตมันต่างกันค่ ะ, คะงั้นก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับคุณเลวิสหรือว่าคนในในคำถามของคุณเลวิส ท, ที่ไปบวชว่าจิตนั้นคิดอะไรอะไรใช่ว่าคุณเห็นอะไรในการบวชตรงนั้นถ้าคุณคไม่เห็นค่าอะไรเลย แล่วก็คือออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็คือออกจากเอ้ยฉันจะต้องทํางานหาเลี้ยงชีพเลี้ยงญญเลี้ยงบรรดาบิดาเลี้ยงภรรยาพวกนี้ใช่ปะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนทําไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าบอกว่าคุณไม่ทําตรงนี้อันนี้คุณไม่ดีนะมันไม่ดีแต่ถ้าบอกเราเห็นสามัญญผลสามัญญผลมีไรมีสมาธิมีศีลมีปัญญามีวิชามีวิมุตพวกนี้เป็นต้นเนี่ยเฮ้ยมันมีคุณค่ามากกว่านนเรื่องความสุขทางตาทางหูตรงนี้น ะ, ะแล้วเราไปทําตรงนั้นอันนี้เราได้บุญมากกว่า อย่างกรณีของพระพุทธเจ้าอ่ะ ต, ตอนเป็นพพธิสัตว์อย่างเงี้ยก็ก็ออกจากเรือนลูกก็เพิ่งเกิดขึ้นมาใช่เมียก็มีพ่อแม่ก็อยากจะยกสมบัติให้แต่ตัวพระองค์เองก็ออกไปบวชเพราะอะไรเพราะเห็นสามัญญผลเราไม่ต้องพูดถึงว่าคนชน ช, นชั้นกลางหรือว่ามหาเศรษฐีในสมัยปัจจุบันนะอันนี้คือพูดถึงพระพุทธเจ้านะโพธิสัตว์นะจะเป็นกษัตริย์นะจะเป็นกษัตริย์ เงินทองไม่ต้องพูดถึงว่ามีเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านมีมากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าของเราแต่ไม่ต้องพูดถึงบ้านไม่ต้องพูดถึงรถโอ้โหคือมีเพื่อความทุกอย่างก็ยังสละได้เพราะอะไรเห็นสามมัญญผลค่ะอออืมทีนี้ที่ฉันเชื่อว่าต้องมีคนที่นั่งฟังรายการอยู่เนี่ยคิดค้านอยู่นิดๆ น, นะคะอืมคือค้านในแง่ที่ว่าเข้าใจละมันขึ้นอยู่กับเจตนาอืมนะคะถ้าไปบวชแล้วมีเจตนาดีอย่างที่ท่านว่าครับโอเค ทีนี้เหมือนกับบางคนจะบอกว่าจะไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้ยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายนะชีวิตความเป็นอยู่คงจะดีลูกเมียที่ทิ้งอยู่ข้างหลังก็จะไม่เดือดร้อนในการดํารงชีวิตแต่คนทั่วไปธรรมดาเนี่ยเป็นไปได้นะที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นพันยาและบุตรเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีกําลังสําคัญของครอบครัวอะไรแล้วแต่ดจูจู่จู่ฉันยังทําใจไม่ได้เลยเนี่ย อ่ายังไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตให้ภรรยายไม่เต็มใจให้พ่อแม่ยังไม่เต็มใจให้ไปเงี้ยค่ะท่านการอันนี้ก็ต้องก็ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากจากบุคคลเหล่านั้นก่อนนะทีนี้ความ ค, ความลําบากของคนเนี่ยมันมั น, ม, นมันปรับแต่งได้มันมีทรัชโ הל อยู่ซึ่งไม่เท่ากันค่ะแต่ถ้าคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีอ่ะคุณไปนอนห้องพัดลมอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปนอนไม่สบายอ่ะคือคือมันไม่ใช่ของฉันอ่ะฉันฉันไม่ได้นอนห้องพัดลมฉันนอนห้องแอร์อย่างเงี้ยน ะ, ะแต่ถ้าก็ชาวบ้านธรรมดา นอนไม่มีพัดลมก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเปิดหน้าต่างเขาก็สบายใจได้อย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละคนไม่เท่ากันความลาบากนะค่ะท่านถ้าสมมุตินะดิฉันอยากจะตอบคําถามแบบดิฉันเนี่ยท่านช่วยบอกด้วยนะคะว่าติดหรือไม่ตคือถ้าตอบตรงประเด็นหนึ่งที่คุณเลวิศสังสิทธามมาอันนี้เจตนาท่านถูกต้องเนี่ยนะคะก็ถือว่าบวชแล้วได้บุญไม่เป็นบาปนะคะถึงแม้จะทิ้งงานทิ้งพ่อแม่ไปเพราะว่าเห็นประโยชน์เห็นคุณค่า ของการเป็นสมณะอย่างที่ควรจะเห็นแต่ทีนี้ถ้าในกรณีจะไปบวชในโลกปัจจุบันนี้อย่างไรเสียก็ควรจะไม่ใช่จูจ่ๆทำให้คนข้างหลังเดือดร้อนใจควรจะมีการทำความเข้าใจกันในระดับที่พอสมควรใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้นี่ไปได้คือโดยทางธรรมวินยัยการที่จะบวชเนี่ยก็ต้องให้พ่อแม่อนุญาตด้วยอ๋อค่ะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไม ถ้านนคุณมนนีเป็นกติกาเป็นพระวินัยเลยใช่ใ่เป็นพระวินัยเลยเอันนี้เป็นธรรมดาแล้วถ้าคุณมีมารดาบิดาต้องให้ท่านอนุญาตทีนี้ความลําบากของคนมันก็ทนได้มากน้อยต่างกันแต่ถ้าท่านทนได้ก็ก็ดีแล้วก็แก้ไขเพราะว่าความสุขความทุกข์ในโลกนี้มันแป๊บเดียวคือหมือนว่ามันก็มีอยู่อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะสุขบ้างทุกบ้างก็ธรรมดา <c oughs> แต่ว่าถ้าบอว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธา <c oughs> มีศีลมีจาระฆามีปัญญาเนี่ยศรัทธาศีลจาระฆาปัญญาเนี่ยจะพาเราไปเหนือกว่า ในความทุกหรือความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้แน่นอนค่ะทีนี้ความหมายของการบวชนี่นะคะหมายถึงการโกนศีรษะแต่งกายแบบพระอย่างเดียวหรือไม่เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยเพิ่งได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตสูงอืแล้วก็คุยกันเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยพอคุยไปคุยมาได้พบว่าเขาเน่ยเป็นคนปฏิบัติอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าพอมาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าในชีวิตเขาง่ายขึ้นอืมคือเหมือนกับ สามารถที่จะทํางานโดยใช้จิตอธิษฐานการงานแบบที่พระพุทธองค์ทรงสอนอยู่ น, น, นะคะดำเนินชีวิตอย่างนี้ประกอบไปกับเขาทําสมาธิบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณพานคำคำว่าบวชบรรพชาหรือว่าอุปสมบทเนี่ยเป็นความหมายที่ที่ในแนวในทางนี้น ะ, ะ, ะในความหมายตามรักษาเนี่ก็หมายถึงการหลีกออกนะการหลีกออกจากกามการหลีกออกจากเรือนการไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะมาความหมายแค่นี้เองนะไม่ได้รวมถึงว่า คุณจะต้องกลผมคุณจะต้องผมเครื่องแบบอย่างไดอย่างใดในเครื่องแบบนี่มาที่หลังกนผมนี่มาที่หลังอยู่แล้วแต่ว่าเจตนาจิตใจที่เราจะหลีกออกจากการที่เราจะไปกลุ่มรุมกําหนัดในสิ่งที่เป็นตทางตาทางหูอันนี้ถือว่าบวชแล้วคือเราหลีกออกแล้วการบวชตรงเนี้ยอันนี้คืออย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ได้5 7, ้วันเจับ้างหรือว่าตอนเช้ า, าคุณจะแทนที่จะตื่นมาปุ๊บก็เปิดทีวีเลยเราก็ไม่ต้องเปิดซะ นั่งสมาธิอะไรไปอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการบวชการหลีกออกนะบางทีบางวันเรารักษาศีลแปดได้เขาก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่ต้องแต่งหน้าทาปากอย่างนี้เป็นต้นแล้ววันไหนเราทำได้เราก็ทําอันนี้ชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยก็เท่ากับว่าหากสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออํานวยถึงขนาดที่ทําให้ไปเป็นสงได้เป็นภิกษ<ส>ุ<ส>ได้เป็นนักษ<ส>ุ<ส>ได้นะคะก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตคล้ายๆกัน ใช่อยู่ที่ข้อปฏิบัติของเรานะซึ่งจุดที่เริ่มต้นของการที่จะประพฤติปรมาจั น, นถ้า <คะ S 1> พูดถึงข้อปฏิบัติที่จับต้องได้ก็คือศีลแปดศีลแนี่ถือว่าเป็นเริ่มต้นละคื อ, ค อ, คอหมายความว่าจุดขีดที่เรียกว่าประมาจันหรือผู้บริโภคกามน ะ, <ค>ะพระเจ้าจะแบ่งไว้2ระดับคือธรรมะสำหรับผู้บริโภคกามก็คือยังยินดีความสุขทั้งตาทัง้งหูอยู่ยังจับต้องกินข้าวเย็นยังต้องแต่งหน้าทาปากดูกระเล่นอันนี้ก็คือ ผู้อย่างบริโภคกรรมหา <c oughs> นะที่เหนือขึ้นไปอ่าถ้าเราเห็นว่าพวกนั้นมันมีโทษมากเราจะออกจากกรรมก็เข้าสู่วงจรของการประพฤติพรหมจรรย์นะซึ่ง <c oughs> ระดับนี้ก็คือศีลแปดเป็นอย่างต่ำนะขึ้นไปโอค่ะท่านช่วยกรุณาพูดถึงคําของเมื่อสักครู่นี้นะคะคำที่ท่านบอกว่าเหมือนกับถ้ายังไม่มาถึงขั้นของการจะประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยค่ะเรียกว่าผู้บริโภคการมผู้บริโภคกมรพกมพระพุทธเจ้าใช้คําว่าการมมโผคิ คือผู้ที่ยังยินดีอยู่ความสุขในทางตาทางหูคะ่ะยังต้องนอนเบียดบุตรยังมีความสุขอยู่กับเรื่องของการกินการดืม่มการทํางานาคุณก็ทําไปก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ศีลห้าเป็นอย่างต่ําค่ะเพราะว่าได้ยินเมื่อวานที่ท่านพูดใช่ไหมคะว่าอย่างกับจะอยู่บนกระแสะแล้วมีโอกาสไปสู่นิพพานได้คือโสตาปฏิยังก็ิีลอันนี้ก็หมายถึงแค่รักษาศีลหถูกต้องถูกต้องแต่เราก็ยังมีความสุข ทางตาทางหูยังมีลูกมีเมียได้เราไปเที่ยวต่างประเทศได้อันนี้ก็แต่ให้มีรักษาศีลห้าให้ระลึกถึงพระพุทธประตรรมพระสงค์ค่ะอันนี้คือโสตาปตฏิยงังขศีแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหพอเรายิ่งต้านกระแสไปมากๆเข้าหรือไปตามกระแสเนี่ยมโ น, นมเอียงไปมากๆเ ข, ข้าก็จะไหลไปสู่การประพฤติพรหมจรรย์ใช่องศีลมันก็จะค่อยดีขึ้นเลื่อนขึ้นจากห้าข้อก็เป็นแปข้ออย่างเงี้ย ดิฉันพูดเนี่ยไม่ได้ไม่สนับสนุนให้ใครบวชนะคะแต่ก็เห็นตัวอย่างหลายครอบครัวที่เหมือนกับว่าไปคนละทางแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องเกี่ยวข้องต้องอาทรร้อนใจกันอยู่บวชไปก็อาจจะไม่น่ามีความสุขเท่าที่ควรหรือบวชไปก็มีโยมพัญญายโยมแม่นี่ยไปหาประจำเลยไปหาไป ถวายพระตาหารเสร็จก็ท่านเมื่อไรซื้ออย่างเงี้ยอาจจะต้องมีทางเลือกให้นะคะอันนี้อันนี้มันก็มีหมวดธรรมอันหนึ่งนะคุณโยมติวที่ซื้อมาประกอบกันในเรื่องนี้ได้ก็เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็คือบางทีเราต้องเลือกใช้ธรรมะให้ถูกจุดณเวลานี้เนี่ยก็มีเรื่องเล่ามาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นหมอนี่แหละนะเครียดมากนะในการนะในการทํางานของเธอเธอก็ไปปฏิบัติธรรมชักที่หนึ่งนะการงานอะไรตำแหน่งอะไรก็ใหญ่โตแล้วนะปฏิบัติธรรมที่หนึ่งกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้โหแบบแจ่มแจ้งมากเลยมีความเห็นอะไรต่างๆที่ถูกต้องมาปุ๊บนี่รักษาศีลแปดตลอดนะเอาที่บ้านก็เลยงงแล้วแม่ไปทําอะไรมาเนี่ยทำไมไปวัดมาแค่เจ็ดวันสิบวันนี่เปลี่ยนไปเลยคนละคนโอ้ทาไมเป็นอย่างงี้เขาก็วิพาควิจารณ์กันเลยทีนี้แม่ทําไม่ถูกอะไรต่างๆ ก็เลยมีปัญหาในครอบครัวอีกทีนี้ก็ต้องเลือกธรรมะให้มันเหมาะสมด้วยนะนะจุดนั้น น, นนะใช่ค่ะเพราะดึ้งที่ว่าการทำความเข้าใจในดีที่สุดนะคะทีนี้ไหนๆถามมาขนาดนี้แล้วอยากถามนอกคำถามเพราะเรื่องเกี่ยวๆกันเนี่ยก็อาจจะมีคนสนใจอยู่ทางออกอีกทางหนึ่งเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นพ่อแม่พัญญา ก, ก็บอกว่าอนุญาตให้ไปบวชสัก เจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันหรือเอาแบบว่าก็ไม่อยากให้ไปเท่าไหร่หรอกแต่เพื่อเธอนะเดือนก็ได้ค่ะเขาเขาก็สามารถทําได้คือการให้แล้วเนี่ยนะก็คือเหมือนว่าให้สิทธิ์แล้วแต่ทีนี้อนุญาตแล้วเนี่ยด้วยข้อแม้ใดใดบางอย่างใช่ไหมซึ่งข้อแม้ใดๆบางอย่างนั้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์นะคือเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นข้อแม้แบบนี้แต่พอเจ็ดวันสิบวันล่วงไปสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปข้อแม้ หรือว่าคอนดิชันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยได้ค่ะที่ฉันจึงอยากถามว่าพระสงฆ์คือหมายถึงคนที่บวชหรือที่ท่านเรียวานักบวชเนี่ย น, นะคะในความหมายของพระพุทธองค์ท่านต้องการคืออย่างไรคคือหมายก็ว่าห้าวันสิบวันสามเดือนสามปีถึงจะนับว่าเป็นพระสงฆ์ค่ะเหตุผลของคนที่ออกจากเรือนแล้วบวชเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเลยน ะ, ะพพุทธเจ้าก็พูดถึงว่ามีข้อเดียว นั่นก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเห็นว่าเราเนี่ยถูกความทุกข์เสียแทงแล้วจะทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ก็เลยคิดว่าบรรพชานี่แหละเป็นโอกาสว่างการที่จะเป็นผู้ที่บริโภคกรรมอยู่แล้วจะ ป, ปฏิบัติธรรมให้มันรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากอา้าวเราจะบวชนี่คือเหตุผลก้อเดียวเลยนะคือหนึ่งได้ฟังธรรมแล้วมันเหตุผลก้อเดียวแต่มันเป็นลาดับลาดับขั้นมานะ หนึ่งคุณได้ฟังธรรมสองคุณมีศรัทธาสามคุณคิดว่าคุณจะต้องผลทูกอันนี้คือสามข้อที่เป็นลำดับขั้นกันมานะรวมเป็นข้อเดียวนะเขาถึงบวชหนะึ่บวชแล้วนะเพื่อที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้คำตรงนี้จะเป็นคาที่อุปชาเวลาที่บวชเนี่ยจะบอกทุกคนอยู่แล้วน ะ, ะอุปชาจะบอกตรงที่ตอนที่น้อมบายเข้าไปหาท่านเนี่ยท่านก็นจะพูดอย่างเงี้ยนะ่ปฏิบัติทาให้คนทุกข์นะประมาณนี้ <Okay. S 2> งั้นถ้าสมมุติว่าดิฉันเห็นปัจจุบันเนี่ยการบวชนีก็บวชกันเยอะมากนะค ะ, mm hmm. ะภาษาทั่วๆไปเขาบอกเป็นแฟชั hmm. ่นหรือเ อ, อขออภัยนะคะดิฉันขอใช้คำนี้แต่ว่าดิฉันเข้าใจนะค ะ, ะว่าทุกท่านก็มีเจตนาที่ดีมีศรัทธาในแบบหนึ่งละ mm hmm. นะคะแต่ศรัทธาเนี่ยก็อาจจะเป็นบวชให้พ่อแม่ mm hmm. พ่อแม่แก่แล้วบวชซะหน่อยจะได้เห็นชายพะเหลือง mm hmm. เพราะว่านี่ก็แต่งงานก่อนยังไม่ได้บวชเลยอือย่างที่สองก็คือว่ามันไม่ค่อยว่างอ่ะก็ตอนนี้เขาบวชบวชกันสะดวกดีง่ายดีแถมได้ไปยังสถานที่ประสูตย์ตรัสรู้ปรินิพานของพระพุทธองค์ด้วยอืมบวชถวายนะคะโดยเฉพาะบวชถวายบุคคลอันเป็นที่เคารพอย่างยิ่งของเราเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็ทําันเยอะนะคะใช่อันนี้ก็อันนี้ทําได้คือหมายความว่าแน่นอนละ่ะมันมีหลายเหตุผลนะ หลายผแต่เหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่คุณมีมันต้องมีอันนี้ที่บุทรุจชาตัิไว้ต้องมีอันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าบวชจะให้เป็นการบวชอย่างที่พระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์นั้นก็คือว่าจะต้องเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธ า, <ถ>าใช่ใช่และปราถนาความพ้นทุกข์ใช่คืออันนี้มันเป็นลําดับขั้นกันมาแต่และคนก็จะมีอินทรีย์ไม่เท่ากันนี่ยแน่นอนต้องมีศรัทธาหลายตัวมาเองเออมีศรัทธาไม่มี แต่ว่าศรัทธานี่ไม่เต็มเปี่ยมจนกระทั่งคิดว่าทำไมฉันจะต้องบวชพ้นทุกฉันก็บวช3เดือนก็พอแต่ตัว เ, เราเองก็เป็นอย่างนี้เพราะอินทรีย์เราไม่แก่กล้าตอนนั้นอินทรีย์เราเรามองไม่เห็นนะว่าศรัทธาแล้วมันจะไปพ้นทุกได้ไงมันก็ศรัทธาแล้วก็บวชก็ธรรมดาแล้วก็ศึกออกมาก็ทำงานต่ออย่างงี้ใช่ไหมก็ศรัทธาธรรมดาศรัทธาไม่เต็มนะศรัทธาไม่เต็มแต่ก็บวชก็มีศรัทธาทีนี้เหตุผลอื่ๆเช่นว่าบุญคุณพอ่อแม่บวชถวายในหลวงมัน ก, มนก็มันจะไม่เป็นอาการลิโก นี่ยเรื่องหนึ่งค่อยแถมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมค่ะตอนนี้พอปวดมาแล้วอินทรีย์จจะแก่กล้าขึ้นเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าคอนดิชันมันเปลี่ยนแปลงไปละค่ะแล้วคุณเห็นภัยในวัฏฏานี่นาตอนแรกไม่เห็นไว้ตอนแรกแค่ฟังธรรมรัตย์ตาเฉยแต่ตอนนี้เห็นภัยในวัฏฏาแล้วต้องการพ้นตุ้งจริงๆล้ะมันมันก็คอนดิชันมันก็เปลี่ยนแปลงไปละค่ะอืมคือคือสาระการเปลี่ยนแปลงไปเงื่อนไขก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามนะค่ะอ่อก็เป็น การสร้างความเข้าใจที่ดีมากเลยนะคะคือดิฉันคิดว่าไหนๆโหการบวชเนี่ยมันยากนะคะอย่าว่าแต่การบวชเลยแค่เราตัดใจไปปฏิบัติธรรมเจดวันเต็มๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเนี่ยหรือคนที่ที่ทํางานอนุญาตแค่นั้นอันนี้น่าเห็นใจมากนะคะถ้าใช่ใเหมือนกับว่าชีวิตเข้าสมมติดิฉันเคยได้ยินว่าวัดเนี่ยอนุญาตให้ถ้าบวชเนี่ยต้องบวชเต็มเดือนอืมแต่ว่าเขาในลา ง, งานได้แค่สิบห้าวันแต่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยดิฉัน สงสารจังเลยคือคือมีความรู้สึก <c oughs> ว่าเฮ้ยเขาศรัทธาเต็มเปี่ยนนะแต่วัดไม่อนุญาตให้บวชแค่สิบห้าวันถ้าคุณจะบวชต้องบวชสามสิบวันอย่างเงี้ยคะ่ะใช่มันมันก็อันนี้ก็อยู่ที่วัดอีกนะเราก็ต้องต้องดูที่ครูบาอาจารย์ด้วยคือคืออันเนี้ยดิฉันกำลังจะบอกว่ามนุษย์เนี้ยมันไม่ใช่ว่าทําอะไรคิดอยากจะทําทอะไรแล้วทําง่ายๆอืทําได้ง่ายๆแต่ทางที่ดีที่สุดคือถ้าเข้าใจว่าเหตุผลในการกระทํานั้นๆ ที่ศาสดราของท่านเนี่ยได้บัญญัติไว้เป็นอย่างไรเราน้อมจิตไปให้ได้อย่างนั้นเราเมื่อเมื่อจิตของเราสุกงองขนาดนั้นแล้วภายนอกจะเป็นยังไงนะั่นก็อีกแบบมังคะใช่ใช่<น>ก็อย่างที่เราไล่มาเนี่ยนะว่าเออเราอาจจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก่อนใช่ไหม <คะ S 2> ปฏิบัติในรูปแบบอิื่นๆไปก่อนปฏิบัติทําบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฟังทําบ้างอลไรก็ค่อยๆเพิ่มพูนความอินทรียความแก่กล้าเพิ่มพูนความสามารถของเราไปตรงนั้นใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น สมมุติว่าไปเจอเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถอแก้ปัญหาของเราให้สอดรับกับเหตุผลนั้นๆได้นะคะ อ, อย่าท้อแท้อย่ารู้สึกนะฉันนม่มีบุญพอฉันมันคนมีปัญหาอืมไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นทําได้ตั้งหลายกรณีใช่ใช่แล้วอย่างเรื่องของการที่บวชแล้วคิดว่าจะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไม่ชัดเจนล่ะนะว่า เรื่องเงินทองอะไรต่างๆถ้าเราหาให้ท่านเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเ ท, าเท่าเทียมกันกับบุญคุณที่ท่านได้เลี้ยงเรามาใช่ไหมที่จะตอบแทนให้พอเสมอกันารพอเสมอกันก็คือประดิษฐานให้ท่านเนี่ยจากที่ไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีจาระฆะให้มีจาระไม่มีปัญญาให้มีปัญญาในการทําอย่างนี้ได้การชักจูงท่านไปทางนี้ได้อันนี้จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พอจะเสมอกันค่ะให้มีศรัทธา ให้มีศีลให้มีจารค่ะคืออะไรกะท่านคะจาระคือการให้การบริจาคบริจาค<ม>ให้มีปัญญ า, ญญาปัญญาปัญญาก็มีอยู่แล้วนะครับคุณแม่ทําหากินเก่งมากเลยออืปัญญาในที่นี้ก็คือการปัญญาให้เห็นความเกิดดับให้เห็นความไม่เที่ยงนั่นเองค่ะ<ม>ก็คือปฏิบัติตามคําสอนจนเกิดปัญญาใช<จ>่เพอพระพุทธองค์นั้น<ม>ต้องการให้พวกเรารู้สัจธรรมใช่ไหมคะ<จ>ขอ ง, องโลกใบนี้ว่าเมื่อมีเกิดมันมีดับ ก็จะพ้นทุกได้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงก็น่าที่จะได้อะไรไปเป็นประโยชน์เต็มๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการบวชคนที่มีความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสบวชไม่งั้นผู้หญิงแย่เลยนะคะก็มีรูปแบบของการบวชที่เป็นผู้หญิงที่เราพอทำได้ในสมัยปัจจุบันใช่ไห ใช่คะ่ะจะหมายถึงว่าผู้หญิงบางคนก็จะบอกว่าถ้าบวชเต็มที่ก็อยากบวชเป็นพระเลยเนี่ะชาติหน้าก็แล้วกันเกิดเป็นผู้ชายนะจะได้บวชเป็นพระกับเขาบ้างอืเราบวชได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใช่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วก็อ่าจะบวชแบบยังแต่งตัวสวยๆยังใช้ชีวิตแบบเดิเดมๆก็ได้แต่มีเครื่องประดับใหม่คือมีศีลแล้วก็มีศรัทธามัานน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วเมื่อศรัทธาคุณยิ่งยวดมากไปกว่านั้นก็ประพฤติพรหมจารย์รักษาศีแปดนะคะส่วนส่วนท่านที่จะบวชอย่างเป็นรูปแบบก็ลองพิจารณาตามที่ท่านไพบู์ได้กล่าวไปแล้ววันนี้เราก็ใช้เวลากันมาเต็มที่เลยนะคะก็กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบู์อภิบุญโนหรือว่าพระมหาไพบูลอภิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโอุดรธานีที่ท่านก็เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งนะคะของผู้ที่ได้เข้าสู่การเป็นสมณะตั้งแต่อายุยังไม่มากแล้วก็บวชคราวเดียวที่ไม่คิดว่าจะอยู่นานก็อยู่มาถึงวันนี้กี่ปีและะ้วคะท่านคะวันนี้เป็นพรรษาที่10บพรรษาที่10แล้วสาธุนะคะก็จะมาพบกับท่านใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้นะมนส ก, การขอบพระคุณมากค่ะเบทบานฟ่านที่เคารพคะ่ะเนี่ยแหละนะคะเราได้ประโยชน์ในส่วนของคนที่บอกว่าเราก็น่าที่จะทําได้นะดูเหมือนกับ ไม่ยากเลยใช่ค่ะเมื่อเข้าใจทำอย่างถ่องแท้นะคะเราจะสามารถนำออกมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราในทุกขั้นทุกตอนเหมือนอย่างกับที่อาทิตย์ฉันได้ยกตัวอย่างสุภาพบุรุษที่ได้เจอเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอนอกเหนือจากการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบคือทำสมาธิแล้วเนี่ยในการดาเนินชีวิตจิตอธิษฐานการงานคือมีสตินะคะมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยอยู่ ก็เท่ากับว่าในขณะนั้นเนี่ยเราได้ทั้งงานเราได้ทั้งการเจริญสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแล้วเราติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะที่ั้นสัญ น, นีนาพงค่ะดำเนินรายการนี้ชื่อว่าสัญ น, นีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทอยหกนะคะก็เชิญท่านมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลานี้ค่ะพุทธสวัสดีค่ะ